ศึกษาศาสน า, าต้องาศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วพอมาเปรียบให้ฟังถ้าไม่เปรียบก็ไม่เข้าใจแล้วนี่หักฐาน<ๆ>เมื่อกัะต้นไม้แล้วปลูกต้นแล้วยังค่อยงอกงามขึ้นให้เกิดผล ศาสนาก็ศึกษาเปืนน่อต้นปลูกให้มันศรัทธาเราเชื่อมันแล้จึงค่อยปฏิบัตินม่เป็นเรื่องไปนาวไปว่าเป็นเรื่องมาได้ก่อนศรัทธาความเชื่อมันเป็นของสำคัญจะทำอะไรได้มดถ้าเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้เรื่องศาสนามันต้องปูกปัสสาวะสัทธาลงให้ตั้งมัน่เทศสักแค่ว่าปฏิบัติไปเฉยๆตัวสัทธาตอนน่้เป็นของสาคัญถ้าเรียกว่าสัทธาภระมันมีกำลัง เราอย่างไครปฏิบัติใจปฏิบัติชาเน็ตเร็วอยู่ที่ตรงพัฒานั่นพัฒนาแค่กล้าก็ปฏิบัติได้เร็วปัฒาไม่แค่กล้ากต่ชาอยู่นั่นแหละทำก็สักแต่ว่าทำไม่ตั้งใจจริงอย่างจังศาสนา การนับถือศาสนาพร้อม็เลยกลายวาจาใจศรัทธาตั้งมั่นนงแน่แน่แล้วจึงเป็นไปถ้าศรัทธาต้องเชื่อมั่นในทานการหผู้ที่ให้ทานนั้นจิตใจมุ่ง ม, มัน่น เชื่อความจริงเชื่ออิงใจในคะำสอนกุฏธเจ้าปร า, ากฏเหมือนกันเขาว่าจะเห็นชั้นฟ้าสวรรค์นในวันพรุ่งนี้หรือโน่นได้ไม่นยันยเพื่อเกิดปีติยินดีแตนเมื่อทำลงไปแล้วกระกีมุ่งยิงใจคือนปีติโอมานัต เป็นคนความสยองเกร้าก็ตีตีอะไรจริงจีิงอย่างจังนื่อการรักษาศีลกันเช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อมันในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเรางดเว้นใดเช่นเราเคยขาดสารักทรัพย์เอาผิดผิดในใช้การกาของสระรติมจุฬามีใดงดเว้นดข้อใดชื่นใจดีใจ เื่อเพิ่มปีติดในนวดชีนนั่นๆเรืยงของมีคุณค่าสามารถจะให้สำเร็จมรรคผลได้วารเชื่อมันในใจอย่างนี้มีอยู่ในใจของบคุคคล น, นั่นแล้วคนนั่นแหละจะทำต่อได้ สิ้นห้าและสิ้นแปิ้นส0บิ้นส0งร้อยยี่สเหมือนกันนี่จะทาแกกลาแล้วยอดสะเร็จระยุท่านพูดไว้ว่าที่เรนเุกตจิงยังงงเเนติสิ้นสีนเนีิคือสุกติง ในกูติงยันติจะถึงเพราะในผานดยพวกใดส็เพราะสิ่งได้พอสิ่งจริงถ้าได้อย่างนั้นได้เพราะสิ่งจริงๆไปสุกติได้จริงนด้โฟกัสสมบัติได้จริงได้เกิดโภคัได้เกิดในมนุษย์ก็ได้โฟกัสสมบัติจะเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ก็ได้ทิพย์สมบัติ ถึงพระพพานในจิงเชื่อมันในถิ่นในถิของตนคนที่เชื่อมันในสิ่เช่นนี้ไม่มีวันที่จะยุ่ง่ไม่มีวันที่จะมืดขลอสิ่นนั้นได้เมื่อเชื่อมันในสิ่นของตนแล้วจิตใจก็แนวแน่ เร่งสมาธิตั้งมั่นถึงซึ่งเอกราตาที่เอกราตาลงต่อเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาผลของสมาธิตั้งหากปัญญาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวห้า มีฉินแล้วปัญญาเกิดให้มีฉินสมาธิแล้วปัญญาเกิดโดยมรู้ตัวข้อที่งวดเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพษษษษษย์สินในชาาจารย์เส้นตนได้เคยทํามาแต่ก่อนงวดเวด้นใดนั้นในตัวปัญญาความสามารถของตนสามารถที่จะงวดเวด้นใดนั้นปัญญาสูงสุดทีเดียว ทำไมจึงว่าปัญญาสูงสุดเพราะความเชื่อมันจริงจังในใจทองตนเห็นชัดแจ้งแล้วจึงค่อยละเล่นโดยเด็ดขาดจะไม่ใช่ปัญญาอย่างไงปัญญาเมื่อเกิดโดินมาดูตัวส่วนปัญญาที่จะสูงสุดขึ้ืไป้เรียกว่าปัญญาปรัฒนาไว้สังหารานั้น อย่าไป้ะเยอทยานลี่นล้นเลยครับขอให้ได้ปัญญานี้เสียก่อนเขาปลูกเข้าปลูกควรปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนตามถอือต้นมันแก่มันไมค่อยเกิดลูกเกิดผลมันไม่แก่มันจะเกิดได้ยังไงต่ชาดออกมันก็ตายไปแมันไม่เกิดหรอก มันแก่แล้วไมต้องเรียกมันมันได้มันแก่่วนกํ็นดมันได้ไม่ต้องเรียกมันเกิดขึ้นมาเองถึงมันออกลูกแล้วก็ตามเถอะต้องการจะให้แก่เร็วนักไมไปเผาเอาเผาไฟเอามันก็แหวบแหงทิ้งหมดเทยปัญญานี่มันปัญญาค่อยไปโดยมาดูตัวค่อยแจกลาไปโดยมาดูตัว กัวอย่างผลไม้ที่มันติดอยู่กับต้นมันอะมันออกมาแล้วมันใครไปทำให้มันแก่แก่วันแก่พืนแก่เดินแก่ปีไปนะใครไปทํามันค่อยแก่ไปโดยธรรมดานั่นนี่ใครไปมันฆ่าคับมันแก่ก็จะรักษาต้นมันไว้ให้ตัดให้ก็แล้วคือสมาธิ ต้นของปัญญานะั้นคือสมาธิแน่วแน่อยู่ไม่ให้วันไววอันเรียกว่าต้นปัญญาลูกไม้กลไม้ที่มันเกิดมานั้นเกิดมาโดยลำดับมันออกพดออกด อ, อ, อกพอมดจากดอกก็เป็นลูก อย่างละหนาวหรมันส้งโออเงี้ยมันลูกมันต่อฝาดเผื่อนขมมื่มันฝาดเผื่อนมันเปลี่ยนไปโดยลําดับกระทั่งมันมันกระทั่งมันประ้ยวมันหวานยังไม่มีใครเอารดมันไปให้มันดอกมันนักเปลี่ยนใครข้อมันเอง ถ้าต้นมันไม่ตายถ้ามันไม่รู้จากต้นมันก็ค่อยแก่ไป ด, ดูดังๆไอคนที่สุกคนที่สุดก็หวานคนที่ต้องการอยากให้เกิดปัญญาอบายเหมือนกันกับไปดึงเอาต้นมันไปนดึงจากต้นล้วเป็นดึงขั้วมันต่อจากต้นมันถ้ามันฉุกให้มันฉุกจะใา้ามันแก่เร็ว เข้าอยู่ในนากันเหมือนกันนะเพราะมันตอกมาแล้วออกต่อออกพวงเสรดึงออกให้มันยาวยืดยาวไปเพื่อต้องทาแก่ให้มันแก่เร็วก็ตายจําคนที่อยากได้ปัญญาเร็วนะก็อย่างนั้นเ้มือนกันอันนี้ยิ่งร้ายกว่าอดีตกว่าเข่ากว่าต้นไม้อดีคนอยากได้ปัญญา หาแถอหาแต่ปัญญาไรัก้าตนเลอะเลี้ยวหลายมดอะไรเป็นอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เรียออุปมาเปรียบเทียบการปฏิบัติศาสนาคือศักดาให้ตั้งมัน่นไปก่อนอาอาจะอธิบาตเราจะทำทานรักษาศีลอบลมสมาธิพา น, านาคอชเชื่อมั่นในอุปายของตน แน่วแน่เต็มที่แล้ว น, นั่นตั้งคนตั้งต้นเบื้องต้นครานี้อธิบายต่อท่านอธิบายเัืงเรื่องศิลเป็นต้นจะมาที่เป็นลำถ้าศีลไม่นเสร็จ แ, แล้วคือต้นไม่เกิด ต้นไม่เกิดมันก็จะมีต้นมันก็จะมีลำอะไรต้นปลูกทุ่งดินให้ก่อนดีปลูกทงดินให้มันไม่ใช่เอย่ยงอกน้ำขึ้นมาที้ตั้งมานัง่งใชก่อนสมาธิยังค่อยเหมือนก็นต้นลำของมันเปรยายเพื่อออกห่อผล อ, อ, อันนี้เรียกศาสนาการปฏิบัติต้องไปทาเป็นคันเป็นกอด เราทำสมาธิไม่ได้ก็ให้พอใจอยู่ในสินใ่หก่อนยินดีพอใจในสินแล้วตเมื่อสินบริสุทธิ์แล้วอย่าที่ปลายฝังแน่วแนลงในใจสั้งมันเชื่อมันลงในใจสินมีบริสุทธิ์แล้วสมาธิมันจะเกิดในทีนั้น สมาธิเกิดจากจินนะแไม่ได้เกิดจากเนเชื่อมนันเนืจินตังตนจินของบริสุทธิ์หมดจดทุกอย่างทุกข้อทุกประ ก, การนั่นสมาธิเกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมาธิมันเป็นจินแล้วนั่นะสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วอันนั่นแหะเป็นอุปายให้เกิดปัญญา จะอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วที่จะรักษาจินบริสุทธิ์ต้เพราะมีปัญญาม่กาบสนใจกันมาอย่างนี้ท่านเรื่องพุทธศาสานาท่านพูดัในเรื่องรับส น, สบนใน่าบวต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนกลางอยู่ไหนมันเลยเป็นอันเดียวค่ะล้วเมือ่อฟังก็ฟังยากศีล ส, สมาธิปัญญา พูดทั้งเรื่องศีลคือเกิดสัญญาใช่ก่อนแต่ข่้ยนี้ศีลในมันสับผสมกันอย่างนี้อันนี้ศีลเนี่ยเป็นต้นในการที่ปฏิบัติศาสนาเล้วปฏิบัติศีลที่ก่อนเป็นต้นเป็นต้นของศารสนาคันนี้ต้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะพูดเั้า่าเข้ามาถึงตัวของเรา ต้นคเกิดจากตัวของเราสินนี่เกิดจากตัวของเราอันนี้ครับพูดทั้งเรื่องสินคือตัวของเราก็จริงนะต้องพูดถึงเรื่องใจสินตั้งแต่กาย ว, า, ยวาจามันต้องพูดถึงเรื่องใจที่เคยมีสินคนตายจะมันมีสินอะไรคนตายไม่มีสินหรอกมันต้องมีใจด้ว่องอะไรทังนี้สินในพูดเข้าถึงใจอย่างนี้ เหตุนจัจะงพูดเบื้องต้นที่เรียกศาสนานคือพูดถึงใจเรื่องศีลต้องพูดทั้งเรื่องใจมีใจแล้วค่อยมีศีลคนตายแล้วไม่มีไม่มีใจไม่มีศีลหรอกฆ่าสัตว์นักฆ่าตบขึ้นชิดพิ จ, จารคือโดยใจนั่นแหละเป็นเหตุ ยังให้บังคับให้กายทำขาดทัดรักทรัพย์สินนิรภัยจากล่าวของห้องอุตส า, าเดิมพูดอะไรๆใจไม่มีเรื่อมดเรื่องใจเป็นคนบังคับแต่ท่านมาพูดเรื่องศินคือกายวาจาคือแสดงมาภายนอกด้วยกายและวาจานันแสดงออกมาเหตนนั้นผู้เผยเจ้ายังสอนให้รักษากายวาจา เอาใจไปรักษาเอาใจยังสู้ไปรักษากายวาจาจึงเรียกว่าชินใครเมื่อรักษากายวาจาได้แล้วเรียกว่ารักษาชินเห็นกายวาจาของเราปกติกายวิาจาร์ใจเราโคเว้นจากความชั่วทุจริตไม่าดจะรักทรัพย์เป็นต้น กายนี่เป็นเครื่องแสดงให้คนทั้งหลายในโลกปรากฏให้คนทั่วไปปรากฏคนที่ไม่รักษาศีลจะรักษาศีลให้เกิดเริ ร, เ ร, รักษาแต่ปัญญาไม่ได้้ว็ค่าถพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วบางคนน่นรักษาแต่ปัญญา สมาธิจะไม่ต้องรักษาเอาปัญญาเกิดอยู่เดียวปัญญาได้ปัญญาคิดนึกออกไม่ใช่ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปัญญานั่นเลยใช่ของจริงปัญญาเลิะเหลเดวดอกทองนะปัญญาพู้ที่เจ้าดั้งสอนมนาะให้มีสิทรักษากายวาจาบทีสุดหมดสุดแล้วให้เข้าถึงสมาธิ ยึดว่างเสมอยิดปล่อยวางว่างหมดทุก อ, อย่างอะไรก็ปรากฏเมื่อเกิดปัญญาเท่านั้นเามันว่างแล้วมื่เกิดปัญญาเลยนั้นจะงเป็นของบลิสุทธิ์หมดจบนั่นยัง เ, <อ>เรียกว่าปัญญาแค่คนที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นก็เลยเข้าใจว่าปัญญาเป็นของดีเด่นมองจิตปัญญาเดียวพอเลอะเล้วหมดเพนั้น แค่ที่จริงคือตนไม่สามารถจะรักษาศีลได้นั่นเองรักษาสมาธิก็ไมได้<ม>ยังเอาแต่ปัญญาคือปัญญาความรู้มาจากกำลังตำนาอะไรต่างพูดคุยโม่ไปทั่วทุกอย่างไดหมนั่นเรียว่าปัญญามีหลักษาอันนี้มันซับสนกันจะพูดเมืม่อรักษาศีลแล้ว ให้เกิดสมาธิแล้วยังค่ยเกิดปัญญาทันเวลาอันนี้ปัญญามันเกิดก่อนศีลมันมันกระบังนี้ยังค่อยไปรักษาศีลแล้วยังค่อยไปละความคิดผิดถูกด้วยประการต่างๆนีด้วยแประการต่างๆอันนี้คือตัว ฟงแต่งคิดนึกสงสยัยสารพัดทุกอย่าง น, น, นั้นก็ตัวปัญญาละละนั่นได้เรียกว่าปัญญาละไม่ได้ก็ไม่มีปัญญานะคิดนึกสงสยัยสารพัดฟุงแต่งไปทุกอางคิดหยุดไม่ได้จะเรียกว่าปัญญาได้ไงมันต้องหยุดลงมาถึงสมาต้องลบมบัดสมาธิให้ลงเป็นสมาธิแต่ก่อน ไม่ค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่คิดเรื่องของแต่งแล้วก็ตั้งลงมาเป็นสมาธิจริงๆเรียกว่าปัญญาไม่มีปัญญาสมาไม่มีปัญญาสมาธิาจะียกรับปัญญาได้อย่างไรในคนที่จุดเมื่อทีแรกกับพูดเรื่องศีลสมาธิแล้วเาเกิดปัญญาศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้น สมาธิก็น่ามีปัญญาไปเพื่นในคนที่สูกับตัวปัญญาเองก็ต้องยังเหลืออันเดียวจ่ตัวปัญญาเข้าถึงใจคือครับใจเป็นคนให้เกิดปัญญาสติควบคุมใจให้อยู่กับ ใ, ให้อยู่กับสมาธิเรเรียกว่าปัญญามันชัดโนเนื้ออย่างนี้ฟังยากหน่อยคอเข้าใจตื้นๆจะว่าสิ้นนั่นหละคณิตา บริสุทธิ์หมดจบแค่ก่อนจึงค่อยจะเกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาไม่ต้องเรียกมันเกิดขึ้นมาอีกมันต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติาศาสนามันต้องเป็นอย่างนี้ตามลาดับขั้นอย่างนี้แต่ว่าการที่ขั้นภูมิมันเรียกว่าจะได้ขั้นไหนภูมิไหนนะ <c oughs> ที่เรียกว่าโสดาจิตาการาค า, า, คาแล้วไม่ต้องพูดขันเหมือนั้น ท่านนะที่ว่าปฏิบัตินี้ต่งางห่ะอันส่วนนั้นน่มันเป็นเองมันหนอะมันเกิดขึ้นแนละ้วมันเนเป็นเองใน่ไ้มมีอธิบายทั้งเรื่องวิธีปฏิบัติพุทธศาสนาขอ่อสคขวัวโดยการลาเีลา อิศตังปติจังตุ้งหังเขี้บมีวะจะมีชัตุภะภูเรงเจอสังกปาจันโทกันะสวายานิโธเทวโตยถาสพิตีโยวชันตุสปรโคลนาสตูมาเทหตุนตาโยสุภีพิพานโควะอาพิวาจันโสีนิจังโรธาเบกาญโนสกาโรธรมารัตติยุโนสุตัง อธิบายธรรมะาหากไม่ได้ทมสมาธินั่นก็ไม่เข้าใจอธิบายสักหรเถระก็ไม่เข้าใจต้องหาสมาธิให้เป็นแี่ก่อนพุทธศาสนาสแปลกอยู่ตรงนี้แหละอธิบายสักรไรเถระก็ไม่เข้าใจเข้าใจแต่มันไม่ซึ้ง เรียกว่าประจตังเหตุเฉพาะส่วนตัวเอธิโตโพโยหิยวินยูชนจึงจะรู้จากเฉพาะส่วนตัวเฉนเฉพาะตนเองไม่มีใครให้เห็นในะอาการที่เห็นในตนเองนะนะ่เนียกว่าปจัจจตังเป็นวินยูชนไนมะ่ค่อยเห็นวินยูชนคืออะไรคือผู้ไหน รูปเป็นยังไงวินิจิวชนคือพุธทธามสมาธิให้เป็นจึงเรียกว่าวินิจิวชนความรู้ความเรียนต่งางๆไม่ใช่วินิจิวเป็นผู้รู้เรียนรู้ไม่ใช่วินิจิวรู้คาที่ว่ารู้นั้นมันแต่รู้พยยิเฉยนี่แหละเหมือนกับสิ่งทั้งหลายของวัตที่เราเห็นอยู่เนี่ยรู้ไปเห็นวัตทุสิ่งทุก อ, อย่างแต่มันไม่ชาต ในใจว be ิย <I> ูชนเท่านั้นี่ชัในใจแค่นั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องรักษาสมาธิที่ไว้ให้มากเราอยากจะรู้เร็วเห็นเร็วนั่นยั่งไม่เป็นวิยูชนเราฮัดสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ ลอยวางทุกสิ่งทุกอย่างอดีตนาคดอยู่ในปัจจุบันมันหากจะเกิดของรู้ขึ้นมาในทีนั้นรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่มันหากจะรู้ขึ้นมาในทีนั้นท่านได้อยากรู้ไม่รู้นั่นคือยุชนเราเป็นอย่างนั้นเฉะนั้นสมาธิจึงต้องหัดกําอย่างจริงจังจ หัดสมาธิก็คือหัดกำหนดสติรักษาจิตของตนไว้ให้มันคงนี่แหละตอนหัดสมาธิคือรักคือตั้งสติผู้ระลึกได้นั่ผู้ระลึกผู้รู้ตัวอยู่นั่นรักษาใจรักษาจิต ผู้คิดผู้นึกนั้นให้อยู่ในอำนาจของตนได้ทาลองดูเดี๋ยวนี้เราอยู่ไหมอยู่ในอำนาจของเราไหมจ อ, อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งมีสักกี่มากน้อยที่อยู่ในอนานาจของทต น, นที่ไม่อยู่ไม่อยู่ในอนาอนาจตัวนั้นมากมายเหลือเกิน ยี่บสี่ชั่วโมงนะั้นมดทั้งยี่สิบชั่วโมงเลยอันที่มันจะอยู่แ น, นํานาาของเราเนะนี่ยนิดเดียวชั่วห้านาทียี่สนาทีก็ไม่ได้มัจะเป็นวิโยชนได้อย่างไรท้ามันได้อย่างไงมีจิตรักษาจิตไม่ได้มันก็จะมีประโยชน์อะไรจิตนั่นบังคับเราให้ หมนไปรอบด้านมาให้ น, หนิ่งแมวอยู่เป็นตัวงตนเลยมันจะมีประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าจน ต, ตายไม่เคยเห็นจิตหรือสักทีในบางคนจิต <c oughs> เป็นอาการยังไงใจเป็นอาการยังไงไม่รู้เรื่องเลย จะพูดเนี่ฟังในที่นี้ว่าจิตคือผูค้คิดใจคือผู้รู้สึกถ้าหากว่ามันนิ่งแน่วมีพวารู้สึกอยู่มันนั้นมาเข้าทังใจ ถ, ถ้าคิดนึกสงสยัยไม่มีหยุดมีหย่อนหรือ ม, มันหยุดก็ตามเถอะคิดอยู่นั่นน่ะคุงแต่งนั้นนี่อะไรจักมันนั้นเรียก ว, ว่าจิต เี่ยเรฝึกหัดสบึกหัดตรงเนี้ยฝึกหัดจิตนี่แหละใจไม่เจองฝึหัดมันอดอกทาฝึกหัดจิตแล้วมันจะเข้าถึงใจเองใจงมันเี็นมีดพิณขวบบุ้ชพิเชอร์คือเราทดลองดูก็ได้ยางว่าเรากั้นลมให้ใจอลมให้ใจให้ใจนัน้นมันเป็ดใจ มันเป็นจริงแท้การลมหายใจ้คําว่าใจนั่นคือมันเฉยเฉยไม่เป็นดีมีชัว่วไม่อย่า ง, างนี้ะเอียดไมมีบุญมีบาปมันนี่คิดนึกเลยจะจะความรู้สึกมันงนี้อยู่การลมหายใจมันเถินิ่งแนวทีเดียวนั่นอาการนิ่งแนวนะจะมีความรู้สึกอยู่หรือเปลไม่ใช่ควารู้สึกแต่ไม่คิด ตรงนั้นแหละเรียกว่าใจเขาเราฝึกจิดนี่แหละผู้คิดผู้นึกนี่แหละตั้งแต่ทีก็นดตามรู้อยู่มันคิดอะไรมันนึกอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรตรงสายันจะรู้ตัวมาอยู่ถ้ามันเป็นสมาธ่มันจะเข้าถึงใจมันเป็นเองเนมะันใจนะแต่งไมได้ นั่นแหลมันยากมันยากตรงแต่งไม่ได้